คนเรามาวัดด้วยสาเหตุต่างๆกันบางคนก็มาทำบุญบางคนก็มาสะดอะเคราะห์บางคนก็มาวัดเพื่อแก้กรรมบางคนมาวัดก็เพื่อรักษาศีล แต่วพวกเรามาวัดเพื่อภาวนาเพื่อทำกรรมฐานซึ่งส่วนใหญ่นะก็คงปรารถนาความสงบความสงบที่ว่าก็คือความสงบใจแต่ครั้งนี้เราก็ ควรจะเข้าใจนะเรื่องความสงบความสงบใจนี่มันมีอย่างน้อยนี่สองแบบอย่างแรกเนี่ยเป็นความสงบเพราะตัดการรับรู้คือพอไม่ได้ยินไม่ได้เห็น หรือไม่มีอะไรมากระทบก็เกิดความสงบใจได้ผู้คนส่วนใหญ่จะรู้จักนะความสงบแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อต้องการได้ความได้ความสงบแบบนี้ก็จะพยายาม เปลนตัวหลีกเล่นเช่นถ้าอยู่ที่บ้านก็อาจจะไปอยู่ในห้องพระคนเดียวเพื่อจะได้ไม่มีเสียงมารบกวนหรือว่าถ้าในบ้านยังมีเสียงรบกวนเยอะนะก็อาจจะมาอยู่ที่ไกลๆเช่นมาอยู่ป่า ไม่เจอผู้คนไม่มีเสียงมารบกวนอันนี้ก็ทำให้เกิดความสงบใจขึ้นได้หรืออาจจะมาอาศัยการรูปแบบการภาวนาบางอย่างช่วยเช่นหลับตานอกจากจะพาตัวมาในที่ที่ไม่มี ผู้คนไม่มีเสียงรบกวนแล้วนะก็หลับตาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเห็นอะไรอาจจะมีการทำอย่างอื่นด้วยเช่นปิดเสียงโทรศัพท์นะบางคนนี่เขาปิดไม่เป็นนะ คือใจเนี่ยอยากจะเปิดเครื่องโทรศัพท์ตลอดเวลาก็เลยได้รับข้อมูลข่าวสารแม้อยู่คนเดียวอยู่ในที่ไกลๆอยู่ในป่าก็ยังมีข้อมูลข่าวสาร SMS ต่างๆส่งมารวมทั้งมีคนโทรศัพท์มาจะปิดก็ใจมันไม่อยากปิดมันอยากจะรับรู้ แต่ว่ารู้แล้วจิตใจก็ว้าวุ่นก็เลยพยายามไปในที่ที่มันไม่มีสัญญาณที่ไหนที่ไม่มีสัญญาณโทรศรัพท์สัญญาณที่ใช้ในการสื่อสารโทรค ม, มานาคมก็ไปตรงนั้นแหละฝลั่งนี้เขาคนที่มีเงินมีทองนี่เขา เขาแสวงหาสถานที่แบบนี้นะไปสถานที่ที่ไม่มีสัญญาณสถานที่มันก็ไม่น่ายากอะไรถึงจะมีสัญญาณก็แค่ปิดเครื่องโทรศัพท์แต่เขาปิดไม่เป็นใจมันไ ม, ไม่อยากปิดก็ เ, เลยต้องไปที่ที่ไม่มีสัญญาณซึ่งบางแห่งก็เป็นที่ที่คิดแพงมากนะค่าพัก เดี๋ยวนี้เราไปที่ไหนก็ที่แต่ละที่เขาก็อวดว่าเขามี Wifi เขามีาสัญญาณอนะินเทอร์เน็ตแต่ว่าในประเทศอย่างอเมริกาหลายแห่งนี่เขาจะอวดนะว่าที่นี่ไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วคิดคิดค่าพักแพงมากนะเป็นประเภทรีสอร์ท อย่างหรูเลยโทรศัท์ก็ไม่มีนะนี่ก็ได้รับความนิยมนะจากคนที่ร่ำรวยเพราะพวกนี้จิตใจเขาว้าวุ่นมากจากการทำงานแต่พวกเรานี่มันไม่ไมยากนะถึงแม้ที่ไหนจะมีสัญญาณแต่ถ้าเราต้องการความสงบก็แค่ปิดเครื่องโทรศัพท์ ปิดคอมพิวเตอร์ไม่มีข้อมูลข่าวสารใดๆมารบกวนยิ่งที่วัดนี้นะโทรทัศน์ก็ไม่มีใจก็สงบได้ไม่ยากอันนี้เรียกว่าสงบเพราะไม่รู้หรือเพราะตัดการรับรู้นะหรือว่ารับรู้ให้น้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางกายทางสัมผัสนะเวลาหลายคนก็ใช้วิธีหลับตาแล้วก็เอาจิตเนี่ยมาอยู่กับลมหายใจบังคับจิตให้รับรู้อยู่แต่ลมหายใจไม่ต้องออกไปที่อื่นเพราะออกไปที่อื่นแล้วก็มันก็จะไปรับรู้โน้นรับรู้นี่ทําให้จิตใจว้าวุ่นไม่สงบ ก็จะบังคับจิตนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการถ้าความสงบเกิดขึ้นก็เรียกเป็นความสงบเพราะไม่รู้หรือว่าเพราะตัดการรับรู้จากความสงบแบบนี้นะมันก็มีข้อเสียหรือข้อจํากัดนะเพราะว่าพอเปิดตาหรือว่าพอออกไปสู่โลกภายนอกไปเจอผู้คนเจอเสียงกระทบเห็นหน้าคนที่ไม่ชอบ หรือเห็นภาพเห็นการกระทําที่ไม่ถูกใจความสงบก็หายไปมีความโกรธความหงุดหงิดความไม่พอใจมาแทนที่จิตใจก็รุ่มร้อนถ้ามีคนหนึ่งแกไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะแค่หนึ่งวัน ไปทำกรรมาฐานในห้องแอร์สงบคนปฏิบัติแต่ละคนก็อยู่ในความสงบเดินจงกรมอย่างเชื่องช้าเวลานั่งภาวนาก็ไม่มีเสียงรบกวนอากาศก็เย็นสบายพอจบวันออกมาจากห้องปฏิบัติธรรม จะขับรถกลับบ้านเพราะกลวว่ารถนี้ของตัวนี้ออกไม่ได้เพราะมีรถอีกคันหนึ่งจอดซ้อนพอเห็นภาพนี้ก็โกรธเลยนะไม่พอใจถึงกับด่าว่าว่าใครนะเอารถมาจอดแบบนี้ความสงบหายไปทันทีเลยแล้วก็ไม่ใช่ ตัวเองไม่สงบอย่างเดียวไปก่อความไม่สงบจากผู้อื่นด้วยนะคือตะโกนด่าหลายคนก็เป็นอย่างนี้นะก็คือว่าสงบเพราะไม่มีอะไรมากระทบแล้วก็สงบเพราะพยายามตัดการรับรู้แต่พอรับรู้ขึ้นมาโดยพอรับรู้อารมณ์ที่มันเป็นอ น, นิจฐารมอณิจฐารม์คืออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจ มันจะเป็นรูปลดกินเสียงสัมผัสก็ว่าวุ่นหรือว่าวุ่นวายขึ้นมาทันทีถ้าเราปรารถนาความสงบแบบนี้หรือรู้จักแต่ความสงบแบบนี้นี่มันก็หาความสงบได้ยากถ้าออกไปเจอผู้เจอคนหรือกลับไปบ้าน ถ้าคนที่รู้จักความแต่ความสงบประเภทนี้ก็จะคอยหลีกเล่นหลีกหลบหลีกความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาอยู่บ้านไม่ไหวนะัต้องมาวัดหรือมาวัดแล้วก็ยังไม่อยากเจอผู้คนต้องเก็บตัวจะมีการงานต่างๆก็ไม่อยากทําเพราะว่าทํางานแล้วเดี๋ยวจิตใจจะวุ่นวายเพราะว่าทํางานแล้วมันก็ต้องไปกระทบต้องไปเจอต้องไปพบ ไปรับรู้อะไรหลายอย่างก็ไม่อยากทำงานพยายามดิกเรื่องงานการก็กลายเป็นคนที่เรียกว่าหนีหนีโลกไปเลยนะไม่ใช่หนีธรรมดาแต่ว่าปฏิเสธโลกไปเลยก็มีไปอยู่กับโลกไม่ได้ฉะนั้นที่ยังต้องเกี่ยวข้องกับโลกนะมันมีความสงบอีกแบบนึงนะคือสงบทั้งทั้งที่รู้คือตาก็เห็นหูก็ได้ยิน นะกายก็มีสิ่์มากระทบแต่ว่าใจก็ยังสงบได้สงบได้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อมีอะไรมากระทบแล้วใจกระเพื่อมก็รู้ทันอาการที่ใจกระเพื่อมนั้นนะเจอรถมาจอดซ้อนคันเกิดความไม่พอใจขึ้นมาก็รู้ทันนะ ความไม่พอใจนั้นว่าเกิดขึ้นในใจ น, นี่เรารู้ใจรู้ใจได้เพราะอะไรเพราะมีสติสตินี่มันช่วยทำให้รู้ทันอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายและใจไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบไม่ว่าจะเป็นฟูหรือแฟดนะเมื่อรู้แล้วเนี่ยนะมันวางได้ก็คือพอรู้ว่าความหงุดหงิดเกิดขึ้นนะ ก็ไม่ปล่อยให้มันลุกลามเผาไหม้ใจนะสามารถจะดึงจิต ก, กลับมาสู่ภาวะปกติหรือว่ากลับมาสู่ความรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวหรือมีสตินะมันกอ็อาการเหล่านั้นเนี่ยมันก็เข้ามาเล่นงานจิตใจไม่ไดนะ้เวลามีคนมาตำหนิต่อว่า เกิดความหมีขึ้นมาในใจหรือเกิดความโกัวขึ้นมาก็รู้ทันรู้แล้วก็วางนะอันนี้เรียกว่าสงบนะเพราะรู้หรือสงบทงั้งทั้งที่รู้นะสงบทงั้งทั้งที่รู้คือตาเห็นหูได้ยินนะแต่ว่าใจก็ยังเป็นปกติได้ หรือว่าสงบเพราะรู้รู้ในที่นี้คือรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นรู้ทันความคิดที่เกิดขึ้นเพราะว่าใจว้าวุ่นบางทีไม่ใช่เพราะว่ามีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมากระทบแต่เพราะความคิดเนี่ยออกไปออกไปคิดถึงลูกเกิดความห่วงนึกถึงเพื่อนที่เขาแกล้งเราเขาต่อว่าเราก็ไม่พอใจ หรือปล่อยใจนึกไปถึงงานการที่ค้างคาที่รออยู่ก็เกิดความหนักอกหนักใจขึ้นมาไอ้พวกนี้มันเป็นศัตรูกับความสงบทั้งสิ้นแต่ถ้าเกิดว่ารู้ทันความคิดนะไม่ปล่อยให้ความคิดฟุ้งซ่านพาจิตกลับมาอยู่กับกายที่กำลังเดินจงกรมที่กำลังสร้างจังหวะหรือว่าที่กำลังทำเอเรียบท่างๆอยู่ ความสงบก็เกิดขึ้นความสงบก็กลับมาอันนี้เรียกว่าสงบเพราะรู้นะรู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดที่เผลอที่เพล่พุงแต่งไปนะเราควรรู้จักความสงบแบบนี้ให้มากๆนะอาการเจริญสติอย่างที่เราทาอยู่ที่นี่นะ ก็เป็นการตรัสติเพื่อช่วยให้เราเข้าถึงความสงบชนิดนี้ได้คือสงบเพราะรู้รู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์จะไม่มีการบังคับจิตให้แน่ๆอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนกับว่าเป็นการขังมันเอาไว้ความสงบประเภทแรกเนี่ย บางครั้งตอใสายการบังคับจิตหรือขังจิตเอาไว้พอถ้าจิตมันออกไปว้าวุ่นออกไปวุ่นวายเมื่อไหร่หรือออกไปข้างนอกตัวเมื่อไหร่ก็วุ่นวายเมื่อนั้นแต่ว่าการปฏิบัติแบบที่หลวงพ่อเทียนท่านสอนนี่ไม่บังคับจิตอนุญาตให้จิตมีสระแต่ว่าถ้าจิตเผลอออกไปฟุง้งออกไปรุงแต่งนะก็รู้ทันแล้วก็ พามันกลับมากลับมาอยู่กับกายอยู่กับกายแบบสบายๆนะไม่ใช่เป็นการบังคับหรือว่ากดให้มันแนบแน่นอยู่กับกายเราควรรู้จักความสงบแบบนี้แล้วก็รู้วิธีที่จะเข้าถึงด้วยเพราะมันจะช่วยทำให้เราออกไปเจอโลกภายนอกได้โดยที่ยังสงบได้ ไปทำงานใจก็ยังสงบได้อยู่บนถนนเสียงวุ่นวายเสียงดังนะมีภาพที่อ่ะเออภาพที่ว้าวุ่นเสียงอึกทึกคลุกโครมใจก็ยังสงบได้เพราะว่ารู้ทันเมื่อใจมันกระเพื่อมนะใจมันแฟบใจมันวุ่นหรือว่าร้อนรุ่มก็รู้มีความหนักอกหนักใจก็รู้รู้แล้วก็ วางมันลงได้อันนี้เรียกว่าสงบด้วยสตินะพอสตินี่มันทําให้รู้ทันความคิดและอารมณ์ที่มาทําให้ใจว้าวุ่นรู้แล้วก็วางได้ความสงบก็กลับมาแันนี้การสงบเพราะรู้เนี่ยนะนอกจากรู้ด้วยสติแล้วเนี่ยยังสามารถจะรู้ได้ด้วยปัญญานะ สเตนี้รู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นรู้ทันเมื่อมันมีอาการกระเพื่อมของใจนะแต่ว่าปัญญาเนี่ยในที่นี้เนี่ยหมายถึงความรู้ความเข้าใจในความจริงนะความจริงของกายและใจความจริงของโรคที่อยู่รอบตัวอันนี้สำคัญมากนะเช่นเวลาา เวลาได้ยินเสียงตําหนิเสียงต่อว่าแล้วใจหงุดหงิดขึ้นมาใจก็เพิ่มขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันเป็นเพราะอะไรนะั่เป็นเพราะเรายังมีความยึดติดถือมั่นนะยึดติดถือมั่นในหน้าตาของตัวเองในภาพลักษณ์ของตัวเองก็ามาพูดให้เราเสียภาพลักษณ์ หรือเข้ามาทำให้เราเสียหน้าเราก็โกรธเราก็ไม่พอใจให้ความยุติธรนี่เกิดขึ้นได้เพราะว่ายังขาดปัญญาจริงๆเนี่ยปัญญาที่ทำให้เราเห็นชัดถึงความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆแค่นี้เนี่ยก็ช่วยให้ใจสงบได้นะนะเช่นเวลาเงินหายนะหรือว่าโทรศัพท์ถูกขโมยไป ทำไมบางคนใจสงบได้เพราะไม่ได้กดข่มความรู้สึกนะแต่เพราะเขาเห็นว่ามันเป็นธรรมดานะความพัดพรากสูญเสียมันเป็นธรรมดามาแล้วก็ไปมีแล้วก็หมดนะอันนี้เป็นธรรมดาให้ความเข้าใจในความจริงแบบนี้ก็ทำให้ใจสงบได้แม้ต้อง เจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีขึ้นมาหรือว่าถูกตำหนิถูกต่อว่าดาทอใจเขสงบได้เพราะก็เห็นว่ามันเป็นธรรมดาลนะาบยศสุขสารเสรินี่มันคู่กับเสื่อมลาบเสื่อมยศทุกแล้วก็นินทาเพราะเห็นว่านินทาเป็นธรรมดานะ จะจะปรารถนาให้คนเนี่ยชื่นชมสารเสริร์เราเนี่ยไปทั้งโลกเป็นไปไม่ได้นินทานี่มันอยู่ผูประจำโลกประจำชีวิตการที่เห็นการที่เข้าใจแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญานะเป็นปัญญาคือการเข้าใจนะในเรื่องโลกธรรมหรือว่าเวลาของหายนะ เมื่อตระหนักว่ามันไม่มีอะไรที่เที่ยงหรือไม่มีความยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราพอไม่ย่มเป็นเราเป็นของเรานะการปล่อยวางสิ่งนั้นก็ทำได้ง่ายพอปล่อยวางแล้วใจก็สงบนะการที่เห็นว่ามันไม่ใช่ของเราหรือมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญญาเหมือนกัน ปัญญาในพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงการคิดเก่งคิดได้ซับซ้อนพิสดารอย่างนักวิทยาศาสตร์หรือนักคณิตศาสตร์หมายถึงการเห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งและความจริงที่จะช่วยให้ใจสงบได้เนี่ยมันก็มีไม่กี่อย่างนะชเช่นการเห็นว่าไม่มีอะไรที่จิังยั่งยืนเถื่อนนิจจังการเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเนี่ย มันมันเจอไปด้วยทุกข์หรือว่าแก่นแกนของมันคือความทุกข์ความเสื่อมไม่สามารถจะให้ความสุขที่แท้ได้ผู้ง่ายคือมันเจอไปด้วยโทษหรือว่าการที่เห็นความจริงว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราของเราเลยคืออนัตตาอันนี้ก็เป็นความจริงพื้นฐาน ที่ปรากฏหรือเกิดกับทุกสิ่งรวมทั้งตัวเรารวมทั้งกายกับใจของเราการเห็นการเห็นความจริงแบบนี้นะมันก็ช่วยทำให้ใจเนี่ยปล่อยวางได้ปล่อยวางตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือมีอะไรก็สักแต่ว่ามีแต่ไม่ได้ยิดว่าเป็นเราเป็นของเรา หรือว่าอาจจะยังเผลอว่าเป็นของเราแต่พอมันหายไปพอมันเสื่อมไปก็ก็รู้ทันระลึกได้เออใช่นะทองก็ทำให้ใจไม่ทุกข์ใจไม่วาวุ่นไม่หงุดหงิดกับคนที่หรือไม่โกรธที่กับคนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นหรือไม่แต่เพียงเห็นถึงความไม่เที่ยงของโลกธรรมว่ามีลาบ ก, ก็ต้องเสื่อมลาบมีเยอก็ต้องเสื่อมยศ มีสารเสริญก็ต้องมีนินทาเป็นของคู่กันในการเห็นความไม่จีรังของโรกธรรมของสังขารทั้งปวงมันก็ทำให้ปล่อยวางได้ง่ายและทำให้ความสงบนะกลับคืนมาสุดจิตใจให้เวลามีอะไรมากระทบแรงๆนี่ก็ใจก็สงบได้ในสมัยพุทธกาล มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมาริกานางมาริกานี่เป็นเป็นภรรยาของเสนา บ, บดีคู่ใจของพระเจ้าประเสติโกสนเศนา บ, บดีคนนั้นชื่อพันธุละพันธุลละนี่เป็นคนที่มีความสามารถในการรบมากแล้วก็เป็นสหายสนิทของพระเจ้าประสติโกศนเั้งจากไปเรียนที่ตักกัิลามาด้วยตักกัิลามาด้วยกัน แต่ตอนหลังเนี่ยพระเจ้าประสเสนที่โกศลหูเบาก็ระแวงว่าพันธุลักเสนาบาดีแล้วก็ลูกชา ย, ยซึ่งมีถึง32คนจะก่อกา ร, ะ, กระบฏยึดอำนาจก็เลยลวงให้ไปชายแดนแล้วก็ซุ่มโจมตีรอบค่า ทำได้สำเร็จนะตายหมดเลยนะทั้งสาคนทั้งพันธุลาแล้วก็ลูกชายข่าวการเสียชีวิตนะของทั้งหมดนี่ก็มาถึงนางมริกาตอนเช้าขณะที่กำลังถวายอาหารเช้านั้นเนี่ยนิมนต์พระมาเพื่อทำบุญก็มีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ มาเป็นประธานด้วยระหว่างที่กำลังจะประเคนอาหารก็ได้จดหมายน้อยนะนางมริกาแล้วก็ทราบว่าสามีและลูกตายหมดละอ่านจดหมายเสร็จก็เก็บจดหมายนะั้นไว้ที่ชายพกแล้วก็ถวายอาหารประเคนอาหารต่อ ระหว่างที่กำลังประเพนอาหารอยู่นี้นางทาสีหรือว่าผู้หญิงรับใช้ของนางเมริกาก็เกิดทําจานใส่เนยตกแตกเสียงดังเลยแตกดังเพลงเลยพระสซเรบุตร อ, อยู่ข้างหน้าก็พูดคล้ายๆเป็นทํานองปลอบนางเมริกาว่าของที่แตกได้เนี่ยมันก็แตกไปแล้วอย่าเสียใจไปเลย นาเมริกาก็เลยตอบว่าเมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งได้ทราบว่าสามีแล้วก็ลูกตายหมดดิชันยังไม่เสียใจเลย น, นับประสาอะไรกับจานใส่เนยที่แตก น, นาเมริกาเจอข่าวร้ายสูญเสียคนรักทั้งสามีและลูกแต่ว่าใจก็สงบได้นะ อาจจะมีอาการกระเพิ่มเล็กน้อยแล้วก็สงบได้ทำไมถึงทำเช่นนั้นได้นะเพราะมีปัญญาปัญญาคือความเข้าใจในเรื่องของความไม่จรังของชีวิตของสังขารเมื่อมีปัญญาชนิดนี้นะแม่เจออะไรมากระทบแรงๆหรือแม้มีเหตุเกิดเถตุร้ายขึ้นกับตัวก็ยังทรงใจให้เป็นปกติคือสงบได้ อันนี้แหละนะคือความสงบที่เราต้องรู้จักด้วยนะความสงบเพราะรู้แต่รู้นี่ในที่นี้คือรู้ด้วยปัญญารู้นี่มันมีสองอย่างนะรู้ด้วยสติกับรู้ด้วยปัญญาแต่การรู้ด้วยปัญญาจะเกิดขึ้นได้นะต้องอาศัยการอาศัยสตินะนะเป็นกุญแจสำคัญนะที่เรามาเจริญสติเนี่ยนะเรามาเจริญสติ เพื่อให้เรารู้จักปล่อยรู้จักวางความคิดและอารมณ์และที่เรารู้จักที่เราปล่อยวางความคิดและอารมณ์ได้เพราะเรารู้ทันเมื่อมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นปุ๊บก็รู้ปับเลยเนยถ้ารู้ช้าปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ลุกลามเนี่ยมันจะปล่อยวางยากแต่ทันทีที่ใจกระเพื่อมหรือว่าใจ หวนเผลอพรุงปรุงแต่งไปอา้าวลูรู้แล้วก็วางรู้ตรงนี้เนี่ยรู้ด้วยสติสติทําให้รู้ทันอารมณ์และอาการของใจที่เกิดขึ้นรวมทั้งอะไรที่มากระทบกายที่ทําให้เกิดเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทนาุกเวทนาก็ตามก็รู้นะรู้ว่ามันมีอยู่รู้ว่ามันเกิดขึ้นนะพูดง่ายๆไอการรู้แค่นี้ก็ทําให้วางได้ และรู้เช่นนี้นะก็จะทำให้เห็นธรรมชาติของใจเห็นธรรมชาติของกายนะคือเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของมันตรงนี้แหละปัญญาก็จะเกิดขึ้นนะหรือว่าถ้าเราใช้สติในการใคร้ครวญสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราก็จะพบว่าไม่มีอะไรที่มันเที่ยงเลยนะโลกธรรม ไม่ว่าบวกหรือลบที่เป็นอิทธาลมหรืออ น, นิธาลมพวกนี้มันเป็นของที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีใครหนีพ้นมีลาบกับเสื่อมลาบเป็นของคู่การมียอดกับเสื่อมยดเป็นของคู่การสรรเสริกกับนินทาเป็นของคู่กันการเห็นความจริงแบบนี้ด้วยการไคร้ครวนอย่างมีสติก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นได้ หรือถ้าใช้สติดูกายดูใจก็ตามใช้สติพิจารณารับรู้โลกภายนอกก็ตามเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ปัญญาได้และเมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยการรู้ความจริงแบบนี้ก็จะทำให้ความสงบของใจเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงเป็นความสงบที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางโลก นะแม้ตัวจะอยู่ในโลกนี้แต่ใจอยู่เหนือโลกแล้วนะใจอยู่เหนือโลกคือว่าความทุกข์ไม่มากระทบไม่มาไม่มาทําให้ใจกระเทือนได้หรือพระเจ้าบางทีก็เปรียบเหมือนกับดอกบัวนะซึ่งแม้ว่าจะเกิดในโคลนตม้มโคลนต้มนี่มันก็ไม่สะอาดนะแต่ว่ามันก็สามารถที่จะชูกิ่ง ชูก้านเนี่ยจนอยู่เหนือโคลนตมแล้วก็น้ำได้ที่แรกเกิดในน้ำแต่ต่อมาก็อยู่เหนือน้ำและน้ำก็ไม่ทำให้เปื่อนทำให้แปดได้อันนี้คือภาวะจิตสภาพจิตของผู้ที่มีปัญญานี และปัร ญ, ญายที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการคิดเอาแต่มันเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการที่เห็นความจริงเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกเห็นตนใจเนี่ยยอมรับความจริงอวิชชาไม่สามารถที่จะปกคลุมครอบงมจิตใจได้ต่อไปและจะเห็นความจริงที่ว่าได้อย่างไรนะก็อาศัยสตินั่นแหละนะสติเนี่ยก็คือการเหมือนกับตาในในที่ทําให้ช่วยให้เราเนี่ยได้เห็นความจริงของกายและใจ ไม่ได้บังคับไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้คิดเอาแต่ว่าเห็นกายและใจอย่างที่เป็นันที่เราเดินจงกลมที่เราสร้างจังหวะนี้นะก็คือการที่ให้ใจเนี่ยได้เห็นนะความจริงที่เกิดขึ้นโดยใส่สตินะเป็นตาในเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราปรารถนาความสงบแล้วเนี่ยนะก็ อย่านึกถึงแต่ความสงบเพราะไม่รู้หรือคิดแต่จะจับำกัดการรับรู้เพื่อให้ความสงบเกิดขึ้นกับใจจะ ต, ต้องรู้จักแล้วก็ทำให้คุ้นเคยกับความสงบเพราะรู้หรือสงบทั้งทั้งที่รู้สงบทั้งทั้งที่รับรู้รูปรดกลิ่นเสียงแต่ก็สงบได้เพราะใจเนี่ยรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดการกระทบเมื่อเกิดผัสสะและต่อไปก็จะรู้ลึกไปถึงขั้นไตรลักษณ์เห็นหนึงความไม่จีรังของโลกธรรมแล้วก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้ตรงนี้แหละที่จะทำให้เกิดความสงบอย่างแท้จริงเอาล่ะก็ชาญโยผู้อ่านนนี้นะครับ